เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาสนา จ, จะมาบ้านก็สมอามาเคสตัดดี้กันเลยลูกชื่อกระไลมิททองมวนเขาเขียนยิ่งคิๆับแต่ภาษาเยอรมันเสียงมันต้องเหมือนคนเดินขึ้นเขาหอบหอเหนื่อย <l oses> สีมันอะออกจากในคอเขาเขียนสแลแวร์หอนุหุกรอเลือกันนันชอช้างไนมิทอมมูนคุณดีเตอร์นี่ก็เขาเขียนอย่างนี้แล้วจะให้อ่านยังไงคือครูม่ใหา่อยากพูดภาษาเยอรมัน่ะชอบมากเลยกลูก ได้แต่งงานกับคุณดีเตอร์ H ชาวเยอรมันอยู่ที่เมืองอัลสบวร์กเหมือนไห ม, หมประเทศเยอรม น, นีมาเป็นเวรยาวถึง22อปีออสามีของลูกได้เสียชีวิตยอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะนั่งดูกีฬาสกีหน้าหนาวในทีวีเมื่อวันที่ที่สิกุามพันธ์2546ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาในระหว่างนลูกกาลังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพุทธ อัสบวกในภาคภายหลังจากพิธีจุดโคมระทีพร้อมกับวัดพระธรรมกายและขณะที่ถ่ายทอดเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิอยู่นั้นลูกเขยได้มาตามแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกรู้สึกช็อกในทันทีเพราะคิดไม่ถึงเนื่องจากตอนเช้าก่อนลูกไปวัดคุณดีเตอร์ก็ยังดูแข็งแรงดีนี่เราเจอเคสที่แข็งแรงนี่อีกลายเห็นไหมที่ผ่านมาจังไม่ได้ไหมจ๊ะได้นี่เห็นไหมมันบ่อน่นะครับ ที่แน่ๆตายลูกได้บอกเขาว่าเช้านี้เป็นวันมาครับูชาฉันจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดอธิบายฟังว่าอาหารแห้งที่นำไปตักบาตรนั้นนะเป็นการสะสมทรัพย์ไปในภพ บ, บงหนาะถ้าทำบุญด้วยกันก็จะได้ไปเกิดร่วมกันอีกครับซึ่งคุณดีเตอร์ก็เต็มใจและร่วมบุญไปด้วยความปิติใจเห็นไหมได้ภรรยาที่ดีเนี่ยเป็นกระายาณมิตรมีเมียดีเนี่ยเหมือนมีภรรยาที่ดี รเขาว่าอย่างนั้นนะฮบมีเมียดีเหมือนมีภรรยาที่ดีที่ดีซึ่งในวันเสียชีวิตลูกสาวเล่าว่าขณะนั่งดูทีวีพ่อบนปวดท้องแล้วก็สำลักแต่มีสติตลอดลูกสาวจะนำไปส่งโรงพยาบาลเห็นพ่อน้ำลายฟูมปากจึงช่วยกันปั้มหัวใจ แต่ไม่ทันการประกอบว่าเด็เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่แจ๊คแข็งแรงดีๆเนี่ยคุณดีเตอร์เป็นบุตรคนเดียวอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางมีทรัพย์สมบัติพอควรคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่คุณดีเตอร์อายุได้หกขวบคุณแม่ทํางานสงเคราะห์คนชราเด็กกำพร้าและเด็กพิการคุณดีเตอร์เป็นคนอารมณ์ดีมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงจนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบไม่ค่าสัตว์ แต่ชอบดื่มเหล้าเบียร์ตามนิสัยปกติของชาวเยอรมันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวเพราะเมื่อเมาแล้วก็จะหลับชอบชื่อเลือในี้าด้การศึกษาเป็นอันดับแรกแก่ลูกหลานทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศหามีคนไปบอกบุญท่ากะระถินท่าป่าก็ไม่เคยขัดในเรื่องการทำบุญเมื่อลูกอธิบายเขาเขาก็จะร่วมบุญด้วยทุกครั้งและเมื่อลูกมธัธวัฒพุทธอสบวก ก็ได้รับดวงแก้มณีทวีบุญจากพระอาจารย์แล้วก็ได้นำมาไว้ที่บ้านเพื่อสะสมบุญสเสบียงเศษรษฐีเขาก็จะหยอดเงินด้วยในด้านสุขภาพแข็งแรงมาโดตลอดชอบทำงานแม้ยามเจ็บไข้เด็ป่วยก็จะไม่หยุดงานและเป็นทีรักของเพื่อนรวม ง, งานทุกๆคนคส่วนลูกเกิดในครอบครัวชาวนามีพี่น้องหลายคนตอนเล็กๆ ล, ลาบากมากต้องช่วยแม่ทานาเลี้ยงน้อง พอโตขึ้นได้ทำงานชีวิตก็ดีขึ้นมาตามลำดับโลกเป็นคนประหยัดแต่ชอบทำบุญและสงเคราะห์เพื่อนฟูงมาตลอดแต่งงานเมื่ออายุได้28ปีแล้วก็ได้เดินทางไปอยู่ประเทศเยอรม น, นีซึ่งก่อนแต่งงานลูกและคุณดีเตอร์ไม่เคยมีคนรักมาก่อนเป็นบุเพรจริงๆนะบุเพสันนิ ว, วัตเมื่อวัใช้ชีวิตคู่รวมกันก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีชีวิตที่ดีมาตลอดมีบุตรสาวหนึ่งคน แล้วต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งวัดพุทธอัสบวกขึ้นมาในเมืองอัสบวกโลกก็ได้ไปร่วมงานบุญ ป, ประจำทุกๆอาทิตย์และก็รับบุญพิเศษต่างๆด้วยไดยรวมเป็นเจ้าภาพทอดผับป่าสา ม, มัคคีที่วัดพุทธอัสบวกดังนี้ถวายเครื่องเสียงเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาวัดเพื่อขยายพื้นที่วัดให้กว้างขวางออกไปเป็นสมาชิกบุญสเสียงเศรษฐีร่วมสร้างพระประธานปฏิสฐานณวัดพุทธอัสบวกและได้สร้างองค์พระหนึ่งองค์งงหนึ่งแผ่น ถวายพระสังฆาธิการในนามคุณดีเตอร์ลูกได้แั่งใจทําบุญองค์พระถวายพระสังฆาธิการในนามคุณดีเตอร์แต่คุณดีเตอร์อนุโมทนาบุญไม่เป็นไม่ทราบว่าจะได้รับบุญหรือไม่เดี๋วค่ะการที่คุณดีเตอร์ได้เสียชีวิตไปอย่างกทันหันไม่ทุกข์ทรมานขณะที่หกําล่อปฏิบัติธรรมนเพราะเหตุใดขนาดนี้ไปเกิดอยู่ณพบูมิใดกรรมอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณดีเตอร์เสียชีวิตในขณะที่คุณดีเตอร์อายุได้เพียง6กขวบเท่านั้นลูกอยากเห็นคุณดีเตอร์มาเข้าฝันแต่ก็ไม่เคยฝันเห็นเลยครับ ส่วนเพื่อนรักและคุ้นเคยกันมากเชียรมิสกนกวันเมนเกเลซึ่งไปวัดทําบุญด้วยกันเป็นประจาจะมีความรู้สึกว่าคุณดีเตอร์ไดินมาหาในขณะที่ทํางานอยู่ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องกระดับเพิบทันทีแล้วก็กลับมาเป็นปกติกังวลไม่ทราบว่าเหตุใดเจ้าคะเราจะต้องทํ า, า, า, าบุญอะไรและวิธีการใดที่จะทำให้คุณดีเตอร์ได้รับรู้และสามารถอนุโมทนารับบุญได้ก็จะได้มีความสุขสบายในภพภูมิใหม่คุณดีเตอร์ ตายอย่างกระทันหันอายุได้ห้าสิบเจ็ดปีหมดอายุไขพอดีตามบันยีเจหน้าที่จากยมโลกก็พาตัวไปเลยเพื่อไปพิจารณาบุญบาปตายกระทันหันเพราะกรรมฆ่าสัตว์ในอดีตชาติฆ่าสัตว์ตอนหนุ่มต่อมาจึงเลิกฆ่าสัตว์ แต่คมก็ยังติดตามตัวมาแต่ปัจจุบันเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือเพืมนุษย์ บ, บุญยังช่วยให้ตายอย่างไม่ทรมาน oh. คือพอดีหมดอายุไข่ตรงนั้นพอหมดอายุไข่เขา้ารับประทานอะไรมันก็อาหารมันเป็นพิษได้อะไรตา่างครับก็ต้องถอดกายเห็นไหมบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยฟุบ ป, ปั๊บไปเลยมีอจินกรรมกินเหล้าเบียร์บุหรี่ แต่มีพื้นฐานใจดีชอบช่วยเหลือคนและร่วมทำบุญกับภรรยาเพราะรักภรรยาจึงไม่ขัดใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องบุญเท่าไหร่นะั บ, บุญที่ภรรยาสร้างพระให้ในนามคุณดีเตอร์คุณดีเตอร์ก็อนุโมทนาบุญไม่เป็นและเป็นบุญที่ไม่ได้ทำเองผลอมาได้ถูกตัดสินให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดง<อ>ในยมโลกก่อน เพราะอาชีนกรรมที่ดื่มสุรามเมาไรแล้วก็กรรมที่เคยฆ่าสับไว้แน่อดีตยังติดตามอยู่แต่เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะอายุไม่ค่อยยืนพ่อคุณดีเตอร์มีกรรมเฉพาะตัวคือปาณาติบาตบจึงทําให้อายุไม่ยืนจ้า ค, ค, คุณดีเตอร์อยู่ในยมโลกไม่อาจมา ห, าหาหรือเข้าฝันใครได้นอกจากใครคนนั้นมีความรู้สึกไปเองเพราะความคุ้นเคยครับ ส่วนไฟดับพลึบก็เป็นการบังเอิญเท่านั้นะ่ะไม่ไดีกว่าการมาหรือการไปของคุณดิเตอร์รให้ทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆทั้งฐานทั้งศีลภาวนาแล้วทิศสูนทสนไปให้เรื่อยๆก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและที่สคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งถูกส่วนจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในคือพระธรรมกายก็จะไปช่วยเหลือได้ เหมือนอย่างคุณยาอาจารย์ท่านเก่าถึงและไปช่วยพ่อของท่านลจาจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าไปอิจกังวลอะไรมากมายนักหรืออย่าไปซึมเศร้าเพราะความซึมเศร้าอิจกังวลไม่อาจช่วยคนดีเตอร์ได้ให้ตั้งหลักของใจให้ดีนึกถึงบุญที่ไว้ังเยอะแยะนั่งธรรมะอจายใสใ ส, ใสแล้วก็ทิศ ส, ส่วนุไปให้นะลูกนะ ตอนนี้เขาไปใช้อจินกรรมก่อนแล้วส่วนบุญที่ก็ทำาน่ถึงจะส่งผลในภายหลังยังเมื่อวานนี้ทั้งกินทั้งค้าเหล้าแต่ว่ามาทำบุญในบ้านปลายบุญจริงช่วงไปก่อนไปสวรรค์แต่ก็มีสิทธิ์เป็นเทวดาตกสวรรค์ได้เมื่อบาปมาทันรือช่วงจริงอันนี้นี่อจินกรรมน่ำมันชัดเจน จริงช่วงไปก่อนบุญที่ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นให้อยู่ในบุญนะลูกนะแล้วก็อุทิศเสื่สอมกุศลไปก็จะได้รับลดย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ช้าบุญก็จะส่งผลจะเลยลเทเล้าเผาบุหรี่และสอนลูกสาลูกเขยจะให้ไปแต่ต้องน้ำบุบาทนั้นนะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสตัณฑย่อ ย, ยอ